ทุกอ่าในความเชื่อใหม่ ถ้าเราไปอ่านพระธรรม 60 70 หรือ 70 80 เหลืออีกเท่าไหร่ที่เราต้อง <c oughs> วรรคานุศาลคือสงครามนะๆนะไม่ว่าที่ และเป็นการมันก็ยังเกิดอยู่ความภายธรรมชาติประจักษ์ของเราเมื่อแล 3 มีร้อนมีหนาวมีฝนมันไม่เป็นไปตามฤดูแล้ว แต่นี้อาจจะไม่เคยได้มีใครพูดถึง แต่ถ้า 10 ปีที่แล้วจะรู้ เพราะความอัตถัมเนี่ยแผ่กว้างไปเพราะทางความเห็น หนักหน 50 ปีที่ผ่านมาเชียงใหม่ๆ นะเชียงใหม่นะนะ อาจจะมี 2 อย่างคือสื่อสารเนี่ยอาจจะไม่ไม่ไม่ไม่ทันที 1 อยอยเปโตรเปอย 4 ข้อ 7 ข้อ อวสานของสิ่งทั้งปวงใกล้จะมา ประทานให้แล้วก็ให้ใช้ของประทานนั้นเพื่อ พระบิดาเจ้าสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์บำเพ็ญทุกต่อรับ อันนี้ไม่ได้พูดมาให้กลัวเรื่องราวของพีแต่สิ่งต่าง ให้เราเรียนรู้จักการดูแล ในพระพีว่าให้มีสติสัมปชัญญะในข้อจะว่า นั่นเราบอกท่านในวันนี้พระเยซูชอบพูดกับสาวกปล่อยว่าเรา แต่ให้เรามีสติสัมปชัญญะอย่าหวั่นไหวอย่าตก กลัวก็เลยเก็บอย่างเดียวเลยไม่สนใจใครมีอะไรก็เลยเก็บอย่างเดียวจริง เก็บได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นน่ะทําแล้วเขา มีรายจ่ายเยอะนะมี แต่ตอนเราไปอยู่ต่างประเทศร้องว่าอะไรนักหนาทําไมมันช้าขนาด บางคนก็เพิ่งจะเอ่อพระเจ้าบอกไว้นะก็ยังไม่เตรียมองค์องค์อ่ะเอา เอาโอมันเก่าไม่ทันสมัยนะเพนเข้าไปเดี๋ยวก็ เอาถังน้ําใส่รถบรรทุกท่านมีรถใส่ถังน้ํามาขนเปล่าอันนั้น รู้ไม่มีจริงทีว่าการขาดหมดนั้นนะพอมา 2-3 น้ำไม่เคยแห้งมันก็แห้งแต่คนในเมืองเนี่ยมอง บางพื้นที่เนี่ยเก็บมีอะไรเก็บทั้งน้ําทําได้อะไรทํา เมื่อเราจะเหตุที่เราต้องไม่ตกใจว่า ให้ไอฐานเฝ้าระวังด้วยการอธิษฐานไอ ขอประคุณเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและก็ กับภาวะปัจจุบันเช่นนี้ปัจจุบันนี้ข้าควรจะอะไรบ้างแล้วจะตอบคนนั้นจริงผมห่วงห่วงเพราะคนในเหมือนคนที่อยู่ในหนังที่มองไม่เห็นความจริงเหมือนถูกอะไร แต่คนที่อยู่นอกเมืองเขาเผชิญกับความเป็นจริงเขา หรือมีน้ําน้อยเต็มทีเค้ามองเห็นแต่เรามองไม่ เฝ้าระวังกับพระเจ้าด้วยกายท่าเอ่ยถามนะ รอคอยพระเจ้าพระเจ้าจะบอกว่าเรา แต่อันดับแรกคือว่าพระเจ้าจะบอก น้องเพียวอ่ะอย่า 4 ข้อที่ 9 นะครับ 1 4 ข้อ 9 ได้กล่าวโดยไม่บนว่าให้ ยิ่งบ่นยิ่งเครียดฮะยิ่งบ่นยิ่งร้อนน่ะช่วงนี้อย่าบ่นนะหยุดกินนะลดนะบ่น บ่นนิดนะบนได้พอหอมปากหอมคอฮะมันยาวมากได้พอหอมปากหอมคอฮะมันยาวมากอ่ะแค่นะบ่นเอ้ยอะแล้วพอละแต่ท่านบ่น ก็คนตุ่มบนเนี่ยคืออารมณ์เซียนอยู่ไปตั้งหลักอารมณ์ เพื่อความสุขของเราและความสุขๆรู้สึกเติม มึงเขาไปเฉียงแล้วนะเออจริงๆ เราต้องดูแลของขวัญที่พระเจ้า พอบ่นไปบ่นมาจะเริ่มทนคุณสังเกตมั้ย แต่เมื่อไหร่ผมเริ่มผมไม่เคยมีความสุข เพราะโอกาสทําผิดต่อกันก็กันมีมากในบ่อย และอภัยพระเจ้านี่หน้าที่หลักของสังเกตมั้ย เราจะรอให้เขาแก้ไขตัวเองจะรอให้เค้าและถ้าไม่เปลี่ยนแปลงก็โมโหไขตัวเองแต่ อันนี้การให้ภัยสําคัญให้ภัยแก้ไขเขาให้ภัย นั้นต้องทําความเข้าใจดีนะไม่อยากยุ่งไม่ แสดงออกในการให้อภัยออกด้วยการไม่ใช่อภัยการอภัยแสดงออก แต่เมื่อเขา 1 2 3 4 5 ตลอดอ่ะแต่ท้ายอภัยปั๊บมัน 9 ในข้อที่ 10 ได้กล่าวบอกว่าตาม เป็นผู้มอบปรับฉันทะที่ ไม่ใช่ของนะเช่นการพูดถ้าเรามีนะคน เผานะนะถ้ามีเชื่อใกล้ไปใหญ่นั้นถ้าพูดนะเข้า โอ้ยพ่องเจ้าค่ะว่าไปตามเรื่องสั้นๆจํากัดให้เขารู้ 3 ประโยคเป็นเรื่อง 3 อะไรปั๊บมันจะ พอ 3 ปั๊บติดเครื่อง 1 2 ประโยคเนี่ยไม่ติดเครื่องนะให้รู้ว่า นั้นสําหรับผมก็มักอ้าวฉันไม่โอเคขุนก็พูดนะขุนก็พูดไอ้ต่างคนเนี้ยอื่น แต่เพราะพระคุณเจ้าให้เขาเห็นการ แต่เมื่อนานเข้าเขามองเห็นไอ้ทําไมต้อง ของประทานทุกนะท่านมีของประทานท่านไม่รับใช้คนนะ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 จงพยายามช่วยสมาชิกวงมัสการจากการด้านดนตรีของ แต่ถ้าๆแต่เค้านมัสการพระเจ้าไม่ได้เนี่ย<ว class ing> นั้นชิกของ 11 บอกว่า 11 นะถ้าผู้หนึ่ง ในการทั้งปวงโดยทางพระเยซู คนจะเห็นพระเจ้าการรับใช้พระเจ้าของเราเห็นในการดูแลคนอื่นคนจะเห็นพระเจ้าการรับคนไม่เห็นพระเจ้าพระเจ้าของมือ ไม่ได้มีไว้เพื่อมือมีไว้เพื่อมือนะ ตักข้าวใส่ปากให้กินอะไรต่างๆ เพื่อๆในร่างกายของประทานเหมือนกันนะมีไว้เพื่ออวัยวะ นั่นคือสิ้นคำหนุนใจว่าใน แผนชีวิตของคริสเตียนเนี่ยมีไว้เพื่อทําตาม เราเริ่มเราจะไม่ผิดหวังในพระเจ้าเลยในพระเจ้าแต่ถ้าอํานนชิดเราเราเรา 16 ข้อ 24 ได้ ขณะนั้นพระเยซูจึงตรัสกับเราสาวกว่าถ้าผู้ จะเสร็จมาด้วยพระศรีแห่งเปล่า นั้นกรุณใจให้มองเห็นว่านี่คือสิ่ง ขอคุณในความรักความเมตตา